พระมหาสัต์ประทับ พ, พระราชอาธิพายใต้พระมหาสเสวตฉัชท์ทอพระเนตรสิริบิลาตอันใหญ่เพียงดังสิริของเท้าสักกะเทวราชก็ทรงอนุสรถึงความพยายามที่พระองค์ได้ทรงทำในมหาสมุทรเมื่อเท้าเธอทรงอนุสร์ถึงความพยายามเช่นนั้นแล้วจึงทรงมณสิการว่าชื่อว่าความเพียรควรทําแท้ถ้าเราไม่ได้ทําความเพียรในมหาสมุทร เราจักไม่ได้สมบัตินี้ก็เกิดพระปีติสมนัตทราบซ่านจึงทรงเปล่งพระอุทานด้วยกำลังพระปีติตรัสว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงหวังเข้าไว้ไม่พึงเบื่อนายเราเห็นการเป็นพระราชาสมปรารถนาแก่ตนบุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงหวังเข้าไว้ไม่พึงเบื่อนายเราเห็นตนเองถูกอุ้มจากน้าขึ้นสู่บก บุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงพยายามเรื่อยไปไม่พึงเบื่อนายเราเห็นการเป็นพระราชาสมปรารถนาแก่ตนบุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงพยายามเรื่อยไปไม่พึงเบื่อนายเราเห็นตนเองถูกอุ้มจากน้ำขึ้นสู่บกนรชนผู้มีปัญญาแม้ได้รับทุกข์แล้วก็ไม่พึงตัดความหวังที่จะถึงความสุขจริงอยู่ ทศทั้งที่ไม่มีประโยชน์เกือ้อกูลและมีเป็นประโยชน์เกือ้อกูลมีเป็นอันมากคนเหล่านั้นไม่ตรึกถึงความข้อนี้จึงถึงความตายสิ่งที่ไม่ได้คิดไว้จะมีก็ได้สิ่งที่คิดไว้จะพินาศไปก็ได้โภคะทั้งหลายของหญิงก็ตามของชายก็ตามมิได้สําเร็จด้วยเพียงคิดเท่านั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่า พึงหวังเข้าไว้อาสิงเสถะความว่าไม่ตัดความหวังเสียทําความหวังการงานของตนร่ำไปคำ ว, ว่าไม่พึงเบื่อหน่ายนะนิพพินเทยะความว่าพึงกระทาความเพียรไม่เบื่อหน่ายคือไม่เกียดคร้านคำว่าสมปรารถนายะถาอิทชิงความว่ า, ร า, า, ว า, วาเราได้เป็นพระราชา ดังที่เราปรารถนาทีเดียวคำว่าถูกอุ้มขึ้นอุปพตังได้แก่นำเข้าไปใกล้คือนำเข้าไปแล้วคำว่าแม้ได้รับทุกข์แล้วทุกขูปณนีโตปิความว่าแม้ความทุกข์ทางกายและความทุกข์ทางใจถูกต้องแล้วคำว่าทั้งที่ไม่มีประโยชน์เกื้อกูลและมีเป็นประโยชน์เกื้อกูล อะหิตาหิตาจะความว่าทุกขะสัมผัสะชื่อว่าไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลสุ ข, ขะสัมผัสะชื่อว่าเป็นประโยชน์เกื้อกูลคําว่าไม่ตรึกอวิตติ ก, กิตาโรได้แก่ไม่วิตกคือไม่คิดท่านอธิบายว่าบรรดาผัสสะเหล่านั้นเหล่าสัตว์ที่ผัสสะไม่มีประโยชน์ถูกต้องไม่คิดว่า แม้พรรษะที่มีประโยชน์ก็มีอยู่ผู้ทําความเพียรย่อมบรรลุผรรษะแม้นั้นไม่คิดดังนี้จึงไม่ทําความเพียรสัตเหล่านั้นไม่ตรึกคือไม่คิดเนื้อความนี้จึงไม่ได้ผัรษะที่มีประโยชน์ย่อมเข้าถึงมัจจุคือถึงความตายเพราะฉะนั้นชื่อว่าความเพียรควรกระทําแท้คําว่าสิ่งที่ไม่ได้คิดไว้ จินติตัมปิความว่าแม้สิ่งที่สัตว์เหล่านี้มิได้คิดไว้ก็ย่อมมีได้คําว่าสิ่งที่คิดไว้จะพินาศไปก็ได้จินติตัมปิวินัสติความว่าก็เรื่องที่ว่าเราจะครองราชสมบัติโดยไม่ต้องรบเลยนี้เราได้คิดไว้เรื่องที่ว่าเราจะขนทรัพย์แต่สุวรรณภูมมารบแล้วครองราชสมบัติ นี้เราคิดไว้แต่เรื่องสองเรื่องนั้นบัตรนี้เรื่องที่เราคิดไว้หายไปแล้วเรื่องที่เราไม่ได้คิดไว้เกิดขึ้นแล้วข้าว่าโพคะทั้งหลายมิได้สำเร็จด้วยเพียงคิดเท่านั้นนะฮิจินตามายาโพคาความว่าด้วยว่าโพคะของสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าสำเร็จด้วยความคิดหามิได้ เพราะมิได้สำเร็จด้วยความคิดฉะนั้นควรทำความเพียรทีเดียวเพราะสิ่งที่มิได้คิดไว้ย่อมมีแก่ผู้มีความเพียรตั้งแต่นั้นมาพระมหาสัตว์ทรงบำเพ็ญทศพิธราชธรรมครองราชสมบัติโดยธรรมทรงบำรุงพระปัจเจ ก, กับพุทธเจ้าทั้งหลายการต่อมาพระนางศีวลีเทวีประสูติพระราชโอรส ซึ่งสมบูรณ์ด้วยลักษณะแห่งความมั่งคั่งและความมีบุญพระชนกและพระชนนีทรงขนานพระนามว่าทีขาวุราชกุมารเมื่อทีขาวุราชกุม า, มทารามาทรงเจริญวัยพระราชาประธานอุ ป, ปราชาพิเศษแล้วรองราชสมบัติอยู่เจ00ปีวันหนึ่งเมื่อนายอุทยานบาล น, นำผลไม้น้อยใหญ่ต่างๆและดอกไม้ต่างๆมาถวาย พระมหาชนกราชมหาสัตว์ทอาพระเนตรเห็นของเหล่านั้นแล้วทรงยินดีทรงยกย่องนายอุทยานบานนั้นตรัสว่าแหนนายอุทยานบาลเราใครจะเห็นอุทยานท่านจงตกแต่งไว้นายอุทยานบาลรับพระราชดำรัสแล้วทำตามรับสั่งแล้วกราบทูลให้ทรงทราบ พ, พระมหาสัตว์ประทับบนคอชา้าง สเสด็จออกจากพระคนครด้วยราชบริพารเป็นอันมากถึงประตูพระราชอุทยานที่ใกล้ประตูพระราชอุทยานนั้นมีต้นมะม่วงสองต้นมีใบเขียวชะอุ่มต้นหนึ่งไม่มีผลต้นหนึ่งมีผลผลนั้นมีรสหวานเหลือเกินใครๆไม่อาจเก็บผลจากต้นนั้นเพราะผลซึ่งมีรสเลิศอันพระราชายังมิได้เสวย พระมหาสัตว์ประทับบนคอชา้างทรงเก็บเอาผลหนึ่งเสวยผลมะม่วงนั้นพอตั้งอยู่ที่ปลายพระชิวหาของพระมหาสัตว์ปรากฏดุจโอชารสทิพย์พระมหาสัตว์ทรงคิดว่าเราจะกินให้มากเวลากลับแล้วเสด็จเข้าสู่พระราชอุทยานคนอื่นๆมีอุปราชเป็นต้นจนถึงคนรักษาชา้างรักษามา้า รู้ว่าพระราชาเสวยผลมีรสเลิศแล้วก็เก็บเอาผลมากินกันปายคนเหล่าอื่นยังไม่ได้ผลนั้นก็ทำลายกิ่งด้วยท่อนไม้ทำให้ไม่มีใบต้นก็หักโค่นลงมาม่วงอีกต้นหนึ่งตั้งอยู่งดงามดูดภูเขามีพันดังแก้วมณีพระราชาเสด็จออกจากพระราชอุทยานทอบพระเนรเห็นดังนั้นจึงตรัสถามเหล่าอมารว่านี่อะไรกัน แล้วอมาตต์กราบทูลว่ามหาชนทราบว่าพระองค์เสวยผลมีรถเลิศแล้วต่างก็แย่งกันกินผลมะม่วงนั้นพระราชาตรัสถามว่าใบละวันละของต้นนี้สิ้นไปแล้วใบละวรรณะของต้นนอกนี้ยังไม่สิ้นไปเพราะเหตุไรอมาตต์ทั้งหลายกราบทูลว่าใบละวันละของอีกต้นหนึ่งไม่สิ้นไปเพราะไม่มีผล พระราชาทรงสดับดังนั้นได้ความสังเวช ท, ทรงดำริว่าต้นนี้มีวันละสดเขียวตั้งอยู่แล้วเพราะไม่มีผลแต่ต้นนี้ถูกหักโค่นลงเพราะมีผลแม้ราชสมบัตินี้ก็เช่นกับต้นไม้มีผลบรรฑชาเช่นกับต้นไม้หาผลมิได้ภัยย่อมมีแก่ผู้มีความกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีความกังวล ก็เราจักไม่เป็นเหมือนต้นไม้มีผลจักเป็นเหมือนต้นไม้หาผลมิได้เราจะสละราชสมบัติออกบวชทรงอธิษฐานพระมนต์มั่นสเสด็จเข้าสู่พระนครสเสด็จขึ้นปราสาสตร์ประทับที่พระทวารปราศาสตรให้เรียกเสนาบดีมาตรัสสั่งว่าท่านเสนาบดีจำเดิมแต่วันนี้ชนเหล่าอื่นนอกจากผู้บำรุงปฏิบัติผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นผู้เชิญเครื่องเสวยมาและเป็นผู้ถวายน้ำบ้วนพระโอษฐและไม้สีพระทน์ยามาหาเราเลยท่านทั้งหลายจงถือตามเราอมาตผู้วินิจฉัยคนเก่าว่ากล่าวราชกิจตั้งแต่วันนี้ไปเราจะเจริญสมณธรรมในพระตำหนักชั้นบนตราสั่งดังนี้แล้วเสด็จขึ้นสู่ปราศาสเจริญสมณธรรมพระองค์เดียวเท่านั้น เมื่อการล่วงไปอย่างนี้มหาชนประชุมกันที่พระลานหลวงไม่เห็นพระมหาสัตว์ก็กล่าวว่าพระราชาของพวกเราไม่เหมือนเก่าแล้วกล่าวคาถาสองคาถาว่าพระราชาผู้ครองแผ่นดินทั้งหมดผู้เป็นใหญ่ในทิศไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะบัทนี้ไม่ทรงตรวจตราเหล่าคนฟ้อนรำไม่ทรงใสพระไทยเราเพลนขับไม่ทอดพระเนตรหมูมรึก ไม่ประพาสพระราชอุทยานไม่ทอบพระเนตรหมู่หงษพระองค์เป็นประหนึ่งคนไบ้ประทับนั่งเฉยไม่ทรงว่าราชกิจอะไรอะไรบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าหมู่มรึกมิเคเป็นคำกล่าวรวมถึงสัตว์ทั้งปวงอธิบายว่าเมื่อก่อนทรงให้ช้างชนกันทรงให้แพะขีดกันทรงให้เหล่ามรึกต่อสู้กัน วันนี้พระองค์ไม่ทอดพระเนตรสัตว์แม้เหล่านั้นคำว่าพระราชอุทยานอุยาเนความว่าไม่โปรดแม้กีลาในพระราชอุทยานคำว่าหมู่หงหังเสความว่าไม่ทอดพระเนตรหมูหงในสระบกกคารณีในพระราชอุทยานซึ่งดาดาดไปด้วยบัวเบญจพันธ์คำว่าระหนึ่งคนใบ้มูโควะ ความว่าได้ยินว่าพวกเขาเหล่านั้นถามผู้เชิญเครื่องเสวยและผู้ปฏิบัติบํารุงว่าพระราชาทรงปรึกษาข้อความอะไรๆกับพวกท่านบ้างเขากล่าวว่ามิได้ทรงปรึกษาเลยเพราะเหตุนั้นจึงกล่าวอย่างนี้พระราชาทรงมีพระมนั์ไม่ผัวพันในกามทั้งหลายน้อมพระทัยไปในวิเวก ทรงระลึกถึงเหล่าพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้คุ้นเคยในราชสกุลทรงดําริว่าใครหนอจกบอกสถานที่อยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยคุณมีศีลเป็นต้นผู้หากังวลไม่ได้เหล่านั้นแก่เราแล้วทรงเปล่งอุทานด้วยคาถาสมคาถาว่าท่านผู้ใคร่ความสุข มีศีลอันปกปิดแล้วปราศจากเครื่องผูกคือกิเลสทั้งหนุ่มทั้งแก่วันนี้อยู่ในอารามของใครหนอขอนอบน้อมแต่ท่านผู้มีปัญญาเหล่านั้นผู้ก้าวล่วงตัญหาผู้แสวงหาคุณใหญ่ท่านผู้มีปัญญาเหล่าใดเป็นผู้ไม่ขวนขวายอยู่ในโลกที่มีความขวนขวายท่านผู้มีปัญญาเหล่านั้นตัดเสียซึ่งขายซึ่งขึงไว้มั่น แห่งมัจจุผู้มีมายามากทำลายเสียด้วยยานไปอยู่ใครพึงนำเราไปสู่ภูมิที่อยู่แห่งท่านผู้มีปัญญาเหล่านั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผู้ใกล้ความสุขสุขกามาได้แก่ผู้ใคร้ความสุขคือพระนิพพานคำว่ามีศีลอันปกปิดแล้วระโโหศีลาความว่า มีศีลอันปกปิดแล้วคือประกาศคุณหาที่สุดมิได้คำว่าเครื่องผูกคือกิเลสวัคคพันธาได้แก่เครื่องผูกมัดคือกิเลสคำว่าปราศจากอุปารุตตาได้แก่ไปปราดแล้วคำว่าทั้งหนุ่มทั้งแก่ทหราุท ธ, ธาจะได้แก่ทั้งหนุ่มและทั้งแก่ คำว่าอยู่อัจฉะเรได้แก่ย่อมอยู่เมื่อพระราชาทรงอนุสรถึงคุณของพระปัจเจกับพุทธเจ้าเหล่านั้นเกิดพระปีติอย่างมากครั้งนั้นพระราชาเสด็จลุกขึ้นจากบลังทรงเปิดสีหบัญชรด้านทิดอุดอนพินพระพักไปทางทิศอุดอนประดิษฐานอัญชลีไว้เหนือพระเสียร เมื่อทรงนมัส ก, การพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ประกอบด้วยคุณอันอุดมเห็นปานนี้จึงตรัสว่าอติกันตะวณัฐาเป็นต้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผู้ก้าวล่วงตันหาอติกันตะวณัฐาได้แก่ผู้ละตันหาได้แล้วคำว่าผู้สแสวงหาคุณใหญ่มะเหสินางได้แก่ ผู้แสวงหาคุณมีศีลขันเป็นต้นเป็นอันมากดํารงอยู่คําว่าที่มีความขวนขวายอุตสุกกรมหิได้แก่ผู้ถึงความขวนขวายด้วยราคะเป็นต้นคําว่าซึ่งขายซึ่งขึงไว้มั่นแห่งมัจจุมัจจุโนชาลังได้แก่ขายคือตันหาอันกิเลสมานขึงไว้คําว่า ผู้มีมายามากตันตังมายาวิโนได้แก่ผู้มีมายายิ่งทั้งหลายกำจัดคือทำลายด้วยยานของตนไปอยู่ข้อว่าใครพึงนำเราไปสู่ภูมิที่อยู่แห่งท่านผู้มีปัญญาเหล่านั้นโกเตสังคติมานเยความว่าใครจะพึงให้เราถึงคือพาเราไปยังนิวาสถาน ของพระปัจเจกับพุทธเจ้าเหล่านั้น